لمثل هذا فل يعمل العامل و أذاك خير نزلا أم شجرة تزق أذاك خير ن ز ل شجرة تزق ف ت ن ََّ الظَّالِمِينَ إنَّها شجرةٌ تخرجُ في أصلِ الجحيم إ ن َّ ه ش ج ر ٌ تخرجُ في أصلِ الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ร่ ي ีตุบิ الله ر ب ا وب الإسلام دينا وب محمد الرسولا اللهم إ, أ, أ ن ال الل ي أعوذ بك من ش ا د د ل كبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عددا خلقه วรร و าน ah ah uh. <t> ั่สีและเจนตา ا าร ي ชีและมิดาดคัล ت มัตียา حي ย ا قيوم บรรดค์กัสตั้งยิสอัลย์หลีฉะนีกุลล์ห์และต์คิลนีอีลาเนฟส์ทัฟต์อัยน์น์ حسب ียาลลอฮ์และงามลูกา นะครับที่บ้านของอัลลอ์ที่มัส jid ของอัลลอ์และพี่น้องที่ติดตามรายการตับซรุลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละดีใจนะครับที่เราเกิดมนาะเป็นมุสลิมพี่น้องต้องดีใจจริงๆพี่น้องเพราะว่ า, าศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาเดียวนะครับที่อัลลอ์พอใจแล้วก็รับรองอายาไหน Nak memikul an, tiada Allah boleh jaya. Inna Dina Indal Allahil Islam. Tadi nusazanang Kong Allah ke al Islam. Lepas ayat terakhir, tiptah nak kata Nabi Muhammad ini, "Bego alYawma Akmal Tulaqum, wa Atmamtu Alaiqum Niyamatu wa Radditu. Lajumul Islam Madina. Nabi nang ju buat langut, tahan haji kah sultai." น บ, บีทำพยีครั้งเดียวในชีวิตทำํำพยีครั้งเดียวขณะน บ, บีนั่งอยู่บนหลังอูนอยายะคุรานยายะนี้ประทานลงมาเจ้าชันฟาจิบรีนนำมามาให้น บ, บีบว่าอายาววันนี้าศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วหลักการสมบูรณ์แล้วแล้วก็วารดีตัวันเนี่ยพอใจให้อิสลามเนี่ย เป็นทางนำของท่านเห็นยังอิสลามสมบูรณ์แล้วล้วก็เป็นทางนำที่ดีที่สุดไม่ต้องไปต่อเติมอะไรแล้วสมบูรณ์แล้วครบบริบูรณ์แล้วฉะนั้นพยายามหาความรู้ศึกษาหาความรู้จากอุษุนี่แหละเป็นทางนำสําหรับชีวิตของเราจนกว่าจะตายอัลฮัมดุลิลลาฮขอบคุลนลอที่เมื่อคืนนี้เราหลับไปกหลับมีพี่น้องตรงเนีย คือปฏิบัติตามสุ น, นัขให้ครก่อกนึนงแปลงฟันอาบน้ำนำมาตะปัดที่นอนแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็อ่านสามกุลลูกทั้งตัวแล้วก็อ่านอายกรุสีแล้วก็ อ, าอ่อานหลายๆสุรานะถ้ามีเวลาก็อ่านไปเวลานะั้นมันมีจะไม่ขี้เกียจแล้วก็ตอนจะนอนก็อ่านสุภานราลลก่อนสสบาครั้งอัลฮัมดุ ล, ลิลลาอีกสามสิ้างครั้งอัลลอฮฺอักบัรอีกสาครั้ง ก่อนจะนอนก็เอามือขวานี่จับแก้มขวาแล้วก็นอนตะแคงขวาแล้วก็อ่านอุอาบิสมิกลลอฮฺมาใช่บิสมิลลอฮฺมะอามุตุวะอัฮยะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นสุนนะนบีแล้วก็นึกจะลุกขึ้นนั่งมาตะหันยุ่งนี่เป็นสุนนะนบีนบีสั่งให้ลุกเนียดทุกคนให้ลุกขึ้นนั่งมาตะหันยุ่พอเนียแล้ว ก็มีนาฬิกาปลุก ด, ด้วยมันก็ดีช่วยเตอนที่สามครึ่งนะฬิกาปลุกวางห่างๆอย่าวางบนัว น, นอนเพราะวางบนัว น, นอนแล้วมือกดแล้วก็นอนต่อนิสยนัยของคนเป็นแบบนี้ให้วางห่างๆไปน้องการลุกขึ้นมาตระหดยุทธนั้นเป็นงานที่หนักแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺให้นะคนที่ลุกขึ้นมาตระหดยุทธเนี่ยการเจรจา กับคนเนี่ยการพูดจากับคนเนี่ยทำให้คนฟังเนี่เข้าใจง่ายแล้วก็อยากจะฟังต่อท่านคนที่ทํางานศาสนาต้องพยายามลุกขึ้นนมาตรฐานหยุดบรรดาอาเรงอุลมามะทั่วโลกเขาลุกขึ้นนมาตรฐานหยุดเกือหมดนะแต่ท่านเราไม่ใช่อาเรมอุลมามะขนาดนั้นหรอกนะ เราเป็นคนที่เรียนศาสนาสนใจศาสนาก็พยายามประคองตัวเราเนี่ยให้ลู้ขึ้นมาตะหัดยุดอย่างน้อยสองรากอัดวิเต็ดอีกเท่าไหร่อีกสามทำโดยลิลแล้วอัลลอฮให้นะหลายอย่างเนี่ยจะหัดยดนะเอาพูดอย่างเดียวกอย่างเดียวนะหนึ่งการเจรจาการการพูดการคุยกับคนเนี่ยนะจะจะพูดจาดี แล้วก็คนฟังเนี่ยอยากจะฟังต่อและเข้าใจง่ายมีสำคัญมากเลยตรงนี้ทำโดุเวลาพี่น้องนันเป็นงานาศาสนาทั้งหมดงานาศาสนาส่วนใหญ่ก็เป็นงานเรื่องอีมานหมดเลยแล้วก็ต้องทำโดยหัวใจที่ las, อ, อิคลาสคำว่าอิคลาสเนี่ยามขออธิบายอีกครั้งนึ้งนะอิคลาสเนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ทำเพื่อยอย่างอื่น ความอิคลาสเนี่ยเอาข้อเดียบอนะจะให้งานของเราที่ทําหรืองานของอัลลอฮ์หรืองานอิสลามเนี่ยมันจะเจริญมันจะเจริญก้าวหน้าจะมีคนหันมาสนใจอิสลามมารับเราเนี่ยนมาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราทําความดีในบ้านเราด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวนะใ ห, ให้อิสลามเนี่ยมันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้น เห็นยังมันรวมมาถึงคนอื่นหมดเลยนะตัวเราเองด้วยบ้านเราด้วยคนที่อยู่รอบๆข้างเราทั่วโลกพี่น้องคนจะหันมาสนใจอิสลามเพิ่มขึ้นอัลลอฮ์นี่เป็นความยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮามดูลิลละขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่เราได้อ่านกุณอ่านทบทวนกุณอ่านปีนี้เ ป, ป็นี่ปีปีที่สามสิบเจ็ดสุรที่สามสิบเจ็ดฮามดูลิลละทุรังว่าได้เช็คก็ปี ปีละุูร้อเอวันนี้มาถึงอายาที่สาห้าสิบเจ็ดซูรอนอัซอฟาที่แปลว่าอะไรการตั้งแถวต้องนึกนะนมาทุกครั้งเนี่ยต้องนึกนมาตั้งแถวยังไงให้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อย่าตั้งแถวห่างๆตั้งแถวให้ตาตุมเนี่ยชิดกันให้มากที่สุดแถวแรกไม่เต็มอย่าตั้งแถวที่สอง อย่างนี้เป็นต้นนะครับอำโดยบิดาขอทุบทุวนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับมันมีอยู่คำสองคำนะเอาสับไปนะฟัตตลอะอ่าอายะที่ห้าสบห้าฟัตตละาฟราหูฟีสวาอิลจหีมฟัตตละแปลว่าเมื่อเขาได้ชะโงกดู นั่งอยู่ในสวนสวรรค์สามารถชะโงกดูเพื่อนได้เพื่อนที่อยู่บนดุนยาเนี่ยเพื่อนคนนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ ว, วาอาธิบายแล้วนะทำงานกับสองคนพูดมาอีกนิดนึงนะทำธุรกรกิจงานเสร็จแล้วก็ได้กำไรมาแบ่งกันคนละครึ่งคนละเท่าไหร่สี่พันดีรหธมทั้งหมดมันได้8 0ดพันดีรหธม คนที่เอาดุนยาอย่างเดียวไม่เอาอาเคโร่เอาเงินได้ไปซื้อที่ดินสร้างบ้านแต่งงานซื้อเฟอร์นิเจอร์ข้าวบ้านแต่คนที่เอาศาสนาเอาอีมามีตั๊กวามียาตีนมีชสซานมีเอกาสนึกถึงโลกอาเคโร่เนี่ยมันจะทำอะไรกับตัวเองทำให้กับตัวเองแต่ในโลกอาคิร่หมดเลยซื้อที่หนึ่งแปลงบริจาคเงินให้กับคนยากคนจน แล้วก็สร้างบ้านในคนยากคนจนเอาเงินให้บริจาคมันเลยทั้งสี่พันดีรามเนี่ยพอสอดพอเสร็จแล้วเนี่ยคนที่บริจาคในานามของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยนะต่อมามันก็อัลลอฮ์ให้ทดสอบให้มีความลําบากเงินขาดแขนก็ไปหาใครก็ไปหาเพื่อนกันนี่นะพอไปหาเพื่อนก็ถามว่าเงินคุณหายไปไหนหมดแล้วก็เล่าให้ฟังว่าฉันบริจาคบริจาคบริจาคบริจาค คุณเชื่อหรือว่ามีโลกอาคิวอ่ะคุณเชื่อหรือว่าตายแล้วฟื้นคุณเชื่อหรือว่าตายแล้วเนี่ยเราจะมีความสามารถให้ฟื้นได้อีกหรอแล้วก็เอเลาจะมีความสามารถตอบแทนรางวัลอีกหรือคุณเชื่อทาไมมันเป็นไปไม่ได้นี่ไอ้เพื่อนเนี่ยสำคัญไอ้ต้องการอธิบายว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญนะแสดงเวลาคบเพื่อนเนี่ย ต้องเลือกเหมือนกันนะเพื่อนที่พาเราลงนรกนี่อย่าอย่าครบเนาะ้นะเราเป็นคนใจอ่อนด้วยใช่ไหมนะล่ะเวลาพูดกันสามสี่คนเรื่องเดียวกันนี่แล้วก็เล่นลุมเราเนะี่ยเราตอบไม่ได้บางทีก็ยอมแพ้เหมือนกันนะอ้า่กูยอมมั้งที่ไหนถ้าไอ้ยอมยอมนั่นแหละคนที่ยอมคนเพราะเกรงใจคนมนะีไหมมีมาแล้วตัวอย่างในอดีตลุงนบีมุฮัมมัดชื่ออะไรอบูตอลิบ อบับดุลโมตอเลบเดูแลนบีมาตลอดนบีไปเยี่ยมตอนจะกล้าจะเสียชีวิต น, นบีบอกวล่ลุงกล่าวคํานี้สิเลอีลาฮอออัละลอฮลุงก็มองหน้าอบูลละฮับอบูุลย่นมองกันผู้หลาผู้ใหญ่มาเยี่ยมกันเนี่ยนะพอมองหน้าอะไรกลัวเรยหลานมาขูนนิดเดียวกลัวเรย ก็เลิไ ม, ม่ได้กล่าวกะลิมานีแล้วเป็นไงนบีเสียใจนบีร้องไห้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแสดง่าบบความเกรงใจเนี่ยมันมีอิทธิพลนะทำให้ตัวเองแย่มนกันนะ่ะจะได้เกรงใจเป็นผังเรื่องไม่เกรงใจนะเป็นผังเรื่องต้องรู้ว่าเกรงใจอะไรลูกไม่ได้มาเกรงใจลูกลอยอย่างนี้ใช่ได้ไหมไม่ได้เมียไม่คุมพิยาบเกรงใจเมียเพราะมีหางเงินเกรงย่าใหญ่ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ อ่ะทีนี้ฟัตโตลาพอชะโงกไปก็เห็นฟารออาหูเห็นเห็นเพื่อนคนที่อยู่บนตุยยาแมวศาสนางะอยู่ที่ไหนครับฟีสวะอิลยาฮิมอยู่กลางอยู่กลางด้วยนะอยู่กลางไฟไว้นรกที่ลูกจ้าอัลลอฮฺแห่งกับนาอุซิบล่ะนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดสองที่เลลราเล่านะกระเบือาดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไปน้อง ไม่มีอายาไหนที่ไม่จริงไปหมดแล้วก็โลกจะเดินตามอย่างนี้เดินตามกุรอ่านตหมดเลยเอาต่อมาวันนี้อายาที่เท่าไหร่นะห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกนก็ดีเนี่ยขอแล้วตลอขอสาบานต่ออัลลอ์อิงกิตะฉันนี่นะท่านนี่เนี่ยเกือบทำให้ฉันละตูรดีนปนปี้ คุณเนี่ยเกื้อทำให้ฉันปนปี้แล้วถ้าใจอ่อนนิดเดียววันนั้นนะอัลลอฮ์เหมือนคุณนะปนปี้แน่เห็นอย่างไปนั่งท่องอายานี้ให้จํากอลาลตลอฮีอิงกิตะลาตุรดีนเขาพูดว่าขอสาบานต่อพระนามของอัลลอฮ์ท่านนี่เกือบทําให้ฉันปนปี่อัลลอฮ์เอาต่ออาย่ญญานี่และอีกคำหนึ่งอลัลลอฮ์เล่าเองนะ เพื uan, Rabbi, Rabbi, ่อนพูดว่าไงครับว่าเราละนื้อมาตุรบีละคุณตัมินัลมุฮดารีนว่าเราละนิ้งมาตุรบีละคุณตัมินัลมุฮดารีนอัลลอฮุอะลลอฮอาจารนี้ดีจริงๆนาะเพื่อนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ย ไปเห็นชงโงกไปเห็นเพื่อนอยู่ในนรกล้วก็พูดว่าขอบคุณกู <c oughs> ณจะพังกับพวกเอ็นนี่แหละแล้ว <c oughs> ลพูดต่อภาษาดีๆนะวะ่าลาวลาเนียมะตุรอบดีลาวลาแปลว่าถ้าถ้าไม่ใช่าลาวลาถ้าไม่ใช่เนียมัดแปลว่าความการุณา ด้วยความโปรดปรานรบบีจากพระผู้อภิบาลของฉันถ้าหากไม่ใช่ความโปรดปรานถ้าหากไม่ใช่ความกรุณาถ้าไม่ใช่ความการุณรบบีจากพระผู้อภิบาลของฉันลกคุนตุมินัลมุฮบริน ฉันจะต้องอยู่ในหมู่ผู้ถูกนำมาอยู่ต่อหน้าอัลลอ์เพื่อลงโทษเหมือนคุณเลยแสดงว่าด้วยความเนี้ยหมัดหน้าด้วยความโปรดปรานด้วยความการุมของอัลลอฮะที่เรามาอยู่ในศาสนาได้วันนี้ฉันทำตัวไม่เหมือนคุณเพราะอะไรเพราะความโปรดปรานของอัลลอเ์ที่อัลประทานให้และเราไม่เรา ม, า ร, ามารู้สึกตัว ไอ้ตรงนี้ต่าหากภาษานี้ถ่าทํากไทยคนหลงไปเยอะนะภาษานี้ส่วนใหญ่จะไม่ีใครพูดนะ น, นอกจากคนที่มี إ ي م านเท่านั้นและฟาโรห์พูดเป่าไม่ได้พูดกอรุณพูดไหมไม่พูดพนันได้เงินได้ทองมาเนี่ยพูดว่างไงนี่เงินฉันหามาได้ด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยสติปัญญาของฉันเองเอลัลลอฮ์ไม่เกี่ยวแต่คนนี้ดีไหม คนนี้ดีมากนะฉันไม่ตกนรกคุณทำให้ฉันเกือบตกนรกที่ถูกปกป้องเอาไว้ด้วยความเมตตาของกาเนี่ยมาตูรบบีนี่คนดีคนมีศาสนาเขาจะไม่ลืมอลัอลลอฮอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยเป็นอั ก, กีด้านนะที่เราอยู่ในศาสนานี้อย่านึกเองว่าโอ้โหฉันนี่เจ๋วอย่าๆย่านนี้อลัลลอฮชี้ทางนำให้นะ ที่มานั่งอยู่ในมัสยิดขนาดนี้ในมาดามาเองนะใช่ตอนมันลเล่าจะน้องที่บ้านอยู่แล้วแต่เราก็พยายามอะไรลุกขึ้นมาอ่านดวอาขอดวอาตอรอเราจะให้ฉันได้ไปน้ำมาที่มัสยิดด้วยเถอะอัลลอฮฺเป็นห่วงลู ก, อ, กอีกอ้าลุกขึ้นน้ำมาลุกขึ้นนม า, นนมาเป็นห่วงภรรยาเอ้าภรรยาลุกขึ้นนมาไอความรู้สึกเป็นกังวลอย่างนี้นะมาจากไหนมาจากอัลลอฮฺสุภาอัลลอฮฺนะ พี่น้องครับน บ, บีมุ h o m a ต์นะเป็นห่วงพวกเราม า, มากกว่าเราห่วงตัวเราเองใช่หรือไม่ใช่คุรานมิลายายะอันน บ, บียู um ่อัลลอบิลมุมินีนะมมินอัลฟุสฮิมนบีนนะเป็นห่วงตัวพวกเรานะมุมินทั้งโลกนี่นะมากกว่าเราห่วงตัวเราเองเห็นอย่างครับถ้าว่าน บ, บีก็คือ น, นอนหลับไหมไม่ได้หลับเป็นห่วงนะอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้น ชายคนนี้ที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยที่อัลลอ์ให้อยู่ในสวรรค์เนี่ยเพราะว่าหนึ่งอคัครากเขาดีนิสัยเขาดีเวลาเขาเปลอดภัยจากเพื่อนที่จูงจมูกเขาหลายๆเรื่องเลยนะให้เงินให้มีเงินมีทองลำบาบกไปเคยยืมก็ถูกดามาอะไรบ้านใช่ไมแต่ก็อดทนอยู่ในาศาสนานี้วะลาอุลานียมัตูรอ บ, บีและถ้าหากไม่ใช่ ความการุณของพระผู้อาภีบาลของฉันและคุณตุมีนัลมุฮดอเรนฉันจะต้องอยู่ในหมู่ผู้ถูกนำมาอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์เพื่อรับโทษอย่างกับคุณ น, นี่แหละขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลไม่ลืมความโปรดปรานของอัลลอ์สุบฮ า, า AH. นาอูวตาละอัลลอฮ์เป็นทางเราแข็งแรงวันนี้ต้องนึกถึงอัลลอ์ด้วยนะเดินมามัสยิดได้นึกถึงอ AH. ัลลอห์นะ อัลลอฮ์อ่านคุณอ่านได้วันนี้นึกถึงอัลลอฮ์นะที่รู้ขึ้ น, นมาแต่ฮัดยุดนิฝีมือกายอัลลอฮ์ทั้งหมดอย่านึกว่าตัวเองแน่พะลัมดุลิลลัพี่น้องในคําพิธีุรอานเนี่ยคําวันนี้อัมัดอันศะัตธาต่ออัลลอฮ์หกข้อแล้วก็รุกูนอิสลามมีเทา่าไรอีกห้าข้อรวมเป็นสิบอข้อเนะี่ยเป็นเนี่ยอัมัดอันยิ่งใหญ่อยู่ที่ตัวคุณใดมาอยู่ที่ใคร แล้วก็รักษาให้ดีประคองตัวให้ดีนี่แหละเป็นความโปรดปรานที่มาจากอัลลอ์อันยิ่งใหญ่เหลือเกินเรื่องที่สองเ น, นมัดเนี่ยว่าอินต อ, ดดนอุดนมัดตัลลอฮิละตุฮัรฮนี่อัลล์ ส, Allah สอ น, นกบกรุกรอานนะอย่ามองความโปรดปรานด้วยความการุณเป็นเรื่องเล็กๆนะถ้าหาท่านทั้งหลายจะนับความการุนหรือความโปรดปรานของอัลลอ์ท่านไม่สามารถนับมันทวน อสุร้อนนาฮิลอญญายะที่สิบแปดรอเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วเรื่องที่สามคุรานอธิบายกุรานนะวาชกูลู น, ลนี่อัลลอฮนี่อัลลอฮ์สังนะมุสลิมมุหมินทั้งโลกจะอยู่ตรงไหนของโลกกระางเมื่อได้รับนียหมายของอัลลอฮ์มาเนี่ยให้ขอบคุณอัลอลอฮ์อย่าเป็นคนที่ยิงโยโซแข่งกระด้าง ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยอย่าอยา ย, ายา่ได้รับเนี่ยอมามัดเล็กๆน้อยๆให้ทําอะไร้ให้ขอบคุณอัลลอฮ์ให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยอามัดอันยิ่งใหญฮัมดุลิลอลอฮลล์ให้กล่าวนึกถึง Allah อ, อัลลอฮ์เยอะๆอายาที่สามสังเกตดูเรือที่วิ่งในมหาสมุทรเนะี่ยมันจะเรือเราหรอกเรือคนอื่นทั้งหมดของยะฮูดีทั้งส่วนใหญ่ เรือที่วิ่งในมหาสมุทรเนี่ยทีวิ่งได้เพราะอะไรดูอัลกุรอานว่าอันนั่ฟุลกาตาจรีฟิลบาฮารีบินียามติลสุรันลุกมานายาที่สามสบเอดเรือมหาสมุทรเรือลำลำใหญ่ๆเนี่ยนะหรือเรือเล็กๆที่วิ่งในคอนกรีตถึงยเมือกันจะมงระบบทั้ก็ตามแต่แต่เรือทุกชนิดที่วิ่งอยู่ในมหาสมุทรนั้น วิ่งด้วยความการุณของอัลลอฮสุบฮานหฮวะตาอลาอฮฺเหตยังครับรถที่ขับในกรณนการต้องนึกทำไมต้องอา่าอนวากรขึ้นรถน่เตือนสติว่าเอ็งซื้อรถมาราคาเนี่สีล้านน่ะรถเนี่ยโอโหออกใหม่มามาจากฝรั่งเศสมาจากญี่ปุ่นมาจากจีนใช่ไหต้องขอบคุณอัลลอฮอย่าเนื้อ่าฉันแน่ฉันเก่งไม่ใช่นะครับเรื่องที่สี่นะครับ นี่ยอมาตุมมีน่อยดีนานี่ยอมาตทั้งหมดนั้นไม่ได้มาจากคนอื่นเลยมาจากอัลลอฮ์องเดียวสอนเรื่องอาคีดะเหมือนเดิมขยะครับได้ลูกมาคนหนึ่งจะแต่งงานอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดนะอัลลอฮ์มีบ้านหลังหนึ่งมีรถคันหนึ่งอัลลอฮ์แล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเนี่ยอมาตอัลลอฮ์ทั้งหมดต้องนึกถึงอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องนึกดีอีกนะ่ะ นึกก็ได้เราทดสอบรับฉันต้องอดทนต้องขอดูอานี่หลักการก็อธิบายเอาไว้ดีอต่อมาว่มมาอามบินะมะติรบบิกะฟะฮัดดิสเรื่องที่ห้าสุร่าตัฮาอายะที่ส1บอความคารุนของอาผูบัลของท่านนั่นน่ะได้มาแล้วเนี่ยต้องแสดงออกต้องเล่าด้วยเล่าให้ลูกฟังให้เมียฟังอัลลอฮ์เนี่ย บรรดาวันนี้มีริสกีขามานะพันบาทองห้ามดยเลลนี่เป็นนี้อหมายของอัลลอฮ์ลุกไปได้ไปค้าขายมาได้กำไรมาต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะเตือนกันคุยกันในครอบครัวถ้าเป็นอิหมามคนก็สอนมัมมูมไปหัวหน้าแล้วก็สอนให้รู้เรื่องว่าทั้งหมดเรานี้เป็นความการุณที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาอู ว, วาอาตาอัลตอมาอายาที่ห้สบดอฟมานะุบิมี อาฟมานะฮ์นุบิมยตีนอาฟมานะฮ์นุบิมยตีนผู้ชายคนนั้นนะครับจะพูดกับชาวสวรรค์ด้วยกันหลังจากโผล่หน้าไปเห็นเพื่อนในนรกแล้วใช่ไหขอทุอาคุ้มครองแล้วด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยความกรุณ ก็หันมาคุยกับชาวสวรรค์ด้วยกันอฟมานาฮนุบิไมยตินเราจะไม่ตายอีกต่อไปหรือเมื่ออยู่ในสวรรค์แล้วเนี่ยจะตายหรือไม่ตายคุยกันตายได้ไม่ตาย อาฟามา น, นูบิมาอิตีนนี่คนชาวสวรรค์คุยกันนะเราเนี่ยอยู่ในสวรรค์ลแล้วเนี่ยจะตายหรือไม่ตายมันก็นึกสิอยู่บนดุนยาเรา อ, อ่านกุูอ่านมาเรารู้เนี่ยตายนี้ไม่ตายไม่ตายแลย้ว <c oughs> อัลลอฮะบุอาบาร์ถามว่าตายดีหรือไม่ดีอยู่บนดุนยานี่คนกลัวาตายกันหมดใช่ไหม อยู่ในสวรรค์น่ยอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายสักคนอยากอยู่ไปตลอดเพราะมันอนลรรถตอบแทนไ้อรรถถูกใจหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างถูกใจหมดทีนี้คนกาเฟสเนี่ยอยู่ที่ไหนอะคนกาเฟสในมักกะนะเดีย๋ยวจะไปแตกที่อื่นพอแตกที่อื่นบางคนก็ไม่พอใจเอา้าคนกาเฟสในนะครมักกะวันนู้นนะวันนูน้นที่ต่อต้านนาบีนะเวลาตายอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ในนรก คนที่อยู่ในนรกเนี่ยผมอ่านตับเสดมารอเก่ก่อนจะมามคืนเนี่ยบนอยากตายอยู่ในนรกเนี่ยอยากตายทุกนาทีเลยอัลลอฮฺบอกว่ากุฟารมุชริกินฟิมักกะฮุมยะตัมันนาวนล์มาวกุลลาสะตอนอยู่ในนรก คนกุฟารมุชริกินมุนาฟิกทั้งหมดนี่นะที่ไม่ตาบ้าตัวต่วตวออรลอยนะแล้วก็ตายในสภาพเป็นคนที่ปฏิเสธนะครับไม่มีอิมาใไมีมตกว่าอยู่ในนรกเนี่ยยาตามันเน่านัลมาหตะกุลลาสอยากบนว่าอยากจะตายทุกๆนาทีเลยทำไมต้องบนว่าอยากตายเพราะอะไรเพราะอยู่ลำบาก อยู่บนดุนยานี้ไม่มีใครอยากตายสักคนหนึ่งพ่อยพอยู่สบายอายุสบายนี่ใครให้อะอัลลอฮ์พี่น้องคนไม่เอาอัลลอฮ์อยู่บนดุนยานี้อัลลอ์ให้อยู่สบายนาะระวังนะอาย่สบายสบายไม่นึกถึงอัลลอฮ์นี่นะโอ้โหอันตรายจริงๆเลยเนี่ยผมนั่งอ่านคุรา น, นั่งอททิแล้วก็เช็คตลอดเวลาในะพี่น้องไอย้ยางงี้พูดใหม่นะ คนกาเ ฟ, ฟ่มุชริกีนะ่ะคนไร้ศรัทธาที่อยู่บนโลกใบนี้นะเวลาอัลลอ์ให้เขามีความสุขมีความสบายเนี่ยเรามุมินอย่ามองว่าอัลลอ์รักเขานะอย่ามองว่าอัลลอ์เนี่ยรักเรารักเขาอัลลอ์รักอยู่แล้วอะแล้วก็ให้ริสกีเขามากมาให้ชื่อเสียงให้ตำแหน่งให้เงิน ให้นูนให้นี้เต็มไปหมดน่ยพี่น้องเรื่องนี้นะอนายเล่าเลยอลัลลอ์เล่าในกะริุณอ่านบอกว่าอิรออัตลลอฮอัลลอฮวะลยุติลอาบดะอะลามอาซีฮเมื่อเมื่อท่านนาบีเห็นนะนะคนที่แอนตี้อัลลอฮ์และต่อต้านท่านด้วยและต่อต้านสุนนะท่านด้านนี้นะเขาทรอยศ์ต่ออัลลอฮ์แต่อลัลลอ์ก็ให้เขาสิ่งที่เขารัก เขาชอ่อกให้บ้านให้ภรรยาให้ลูกให้รถให้สารพัดทุกอย่าง fa innama huwa istiror การให้แบบนั้นเป็นการให้เพื่อที่จะพาเขาสู่ความไหยานณะทีละขัน้นละขัน้นละขัน้นละขั้ค่อยๆพบกับความหายนณะไม่รู้สึกตัวครับให้อยู่สบายแต่เป็นความสบายที่สู่ความหายนณะ ทีละคั้นละคั้นละคั้นละขั้นละขั้ น, น, น, นอันตรายนะพี่น้องอาหาหาไอเราเนี่ยมีอีหมานต่อลเหนื่อยไหมเหนื่อยครับอ่านคัรอ่านก็เหนื่อยนั่งอ่านหนังสือผู้จะมาสอนคนก็เหนื่อยอ่ะดูแลลูกภรรยาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมญาติพี่น้องน้ำเนี่ยน้ำเอารอบมัวถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะแล้วเขาถูกเราถูกดา่ามาแล้วนึกถึงนบีให้อภัยเขาเหนื่อยทำไมเหนื่อย ตอทำใจหมดเลยเนี่ยอย่างนี้นะค่อยๆสู่ความดีอ um ่าแต่คนกาเฟ่นี่นะค่อยๆสู่ความหายนะคุรานายาไหนครับฟาลามมาณซูมาสุกิรูบิฮิฟัตะห์นาอัลเลหิมอบวาบะคุลล์ชาอิน حت ะอิดะฟาริฮูบิมาอูตูอัคุซนาฮุมบักตัดธรรมไฟดาฮุมมุบลิซู อัลลอฮ์ให้นะเมื่อคนปฏิเสธอิสลามปฏิเสธอิมานเนี่ยนะเมื่อเวลาเขาลืมนึกถึงอัลลอฮ์ลืมนึกถึงกูนอานลืมนึกถึงนบีลืมนึกถึงความตายนะอัลลอยิ่งเปิดฟะตานาอะไรเหีมยิ่งลืมยิ่งเปิดอัลลอฮ์นี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าเนี่ยกล้าพูดไหมอ่ะไม่กล้าพูดเลยกลัวจะผีดอ่ะ อลอฮว่ายิ่งลืมนึกถึง Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งฟตานายิ่งโอเพนโอเพนโอเพนโอเพนให้นูน้นให้นี้ให้นี้ให้นี้ให้นั่นฟาโร่โไม่เคยป่วยเลยไม่เคยจามไม่เคยอ่ะทำไมให้ขนาดนี้ล่ะก็เองลืมอัลลอ์มากเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งให้อ่ะหน้าที่อัลลอ์ไม่ได้ยุบสักนิดนึงหรออยากคิดว่าอัลลอ์ให้ฟาโร่โตังเยอะแยะอัลลอฮ์ยุบไม่ยุบ เงินก็ไม่ยุบชื่อเสียงตำแหน่งไม่ยุบก็เป็นไงครับอบุว่าบาุลเปิดมุดทุกประตูทุกบานเลยฮัตตาอดาฟาริฮูเมื่อเขาแฮปปี้กับชีวิตของเขาเขาพึงพอใจกับความสุขของเขาที่อัลลอ์ให้มาแต่เขาลืมอัลลอฮ์อาคอสนาหุมอัลลอ์าจากกระชากเอากลับไปแบบกระทนหันอิดาหุมมบริซูลมันนั้นแหละเขาก็ หมดหมดความหวังอัลลอ์เสียเศร้าอกเสียใจตอนสุดท้ายของชีวิตทำไรได้ว่า อ, อันฟุฟ า, ราโรนะ่ะฟ า, ราโรตอนจะจมน้ำตายเนี่ยพูดว่าอามันตูฉันอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วเหมือนกับที่พวกบันีอิสราอีอีนอมาน่ะฉันอีมานเหมือนเขาพูดทำไมอ่ะ แ ล, ลแล้วเลาก็ตอบบอกว่าทั้งชีวิตของคุณเนี่ยทรยศต่ออัลลอฮ์มาตลอดต่อต้านนาบีมูซามาทั้งชีวิตนะเพิ่งจะมารับมายอมรับอลัลลอฮ์ตอนตายกันนั้นรึอยิบรีนเอาดินอัดปากอ่ะกลัวจะพูดเ ท, ที่ยวสอเที่ยวอัลลอฮ์ใจอ่ อ, อได้ตายได้วาสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นเห็ น, นยังไงไปเนาะจะต้องอยู่บนดุงยานี่ยนะใครที่รับเนี่ยมัดเยอะๆอย่าหลิง นเตือนมุสลิมย่าเลื้งนะมีเมียสวยสองคนเอาลอฉันแน่ยายยาสติฟาอรอเยินเยินเนี่ยเอาลอให้ทดสอบหรือเปล่าเนี่ยรออักบัดทดสอบขอบคุณเอาล้อยางอ่ะรับพาเมียมามาหรือเปล่าว่าเก่ากะมาเป็นหรือเปล่าล้วไปความาฝังกันนูนเอาลอแต่แค่นี้พอนะแต่ยาวยุ่งอย่างนี้เป็นต้นเอาล้ออักบัอ ตกลงว่าคนไม่เอาอิสลามเนี่ยอลัลลอ์ให้นะพอให้แล้วเนี่ยอลัลลอ์ให้ห้าอย่างหนึง่งต่อทรยศฝ่าฝืนตามมาไม่รู้สึกตัวก็ฟล้ความเฉยเมยตัวอิสลามตามมาการลงโทษแบบไม่มีใครรู้ไม่แบบไม่ไม่รู้ตัวจะตามมาแล้วก็รีบตอบแทนของที่คุณอยากได้ทั้งหมดบนดุญยานี้จะตามมา คนสุดท้ายพอตายแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับอรังวานแม้แต่นิดเดียวในโลกอาคีรอเลยไม่มีให้เจ้าพนดุจยานาอูดิบิลละต่อมาครับอายาที่ห้าอิลลามูตเตตันอัลอูลาวะมะนับนุบิมุฮัซบิน อิลลามูตตันอัลอูลาวมานั้พนุบมอัลฎบินนี่คนในสวรรค์คุยกันอ่าตายหรือไม่ตายอะยะแรกไม่ตายแล้วก็ต่อมาครับยกเว้นอ่ามูตตันอัลอูลาการตายของเราครั้งแรก หมายถึงครั้งที่ตอนอยู่บนโลกดุญญนยาแสดงอยู่ในสวรรค์นี่จาเรื่องดุนยาได้หมดเลยใช่หรือไม่ใช่ <c oughs> แต่เราเนนี้อายุแก่หน่อยจำตอนเด็กๆจ่าหมดเลยตอนหนุ่มๆทำอะไรบ้างจำหมดเลยนี่ก็เหมือนกันฟื้นมาแล้วเข้าอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เรื่องดุนยาที่ผ่านมานี่จํำหมดเลยแล้วก็คุยกันนะ่ะเราตายในบนดุนยาพอแล้ว อยู่ในสวรรค์จะตายหรือไม่ตายไม่ตายอีก ต, ต่อไปแต่ต่อมาครับวานาหนูบีโมอาซาบินอยู่ในสวรรค์นี้เราจะไม่ถูกลงโทษไม่ใช่หรืออมาคุยกันเราจะไม่ถูกลงโทษไม่ใช่หรือแน่น้องไม่ถูกลงโทษแล้วคนที่ถูกลงโทษนะใครมันงูกไปสิ <laughs> เพื่อนอัลลอฮ์อยู่ในนรกแล้วพวกเราเนี่ยถูกลงโทษไหมไม่ถูกลงโทษแล้วอัสบิลลาพี่น้องครับขอที่อาต่ออัลลอฮ์ให้อยู่ในสวรรค์กันทุกคนเลยนะอาทินี้ก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องเพราะว่าอัลลอฮ์เชื่อต น, นะอัลลอฮ์เรียกชาวสวรรค์ประชาชนเอาดูทั้งนี้นี่ ความตายทำเป็นหุ่นมนุษย์เนี่ยนะเอา ล, ล่อให้มเลกามาเชือดคอนความตายตายแล้วนะตั้งแต่วันนี้ไปไม่มีใครตายอีกต่อไปทั้งคนที่อยู่ในนรกและคนที่อยู่ในสวรรค์โอ้โหอะแต่ั้งคนในนรกก็เสียใจสิอย่าลอยมันทรมานจริงๆแล้วอยากตายตายได้ไม่ตายไม่ตายแล้วเป็นไงอ่ะสำนึกตัวสิ อัลล์จฉันอยากจะกลับมามีชีวิตอยู่บนดุนยาขอสักแปบ๊บหนึ่งได้ไหมมาทำอะไรมาก่าวกะลีมา il เอาลออิเลฮออิลลอหอัลลอ์ให้ปะเห็นไหมเป็น้องอยากกลับมาอยู่บนโลกดุนยาฉะนั้นสถานที่บนดุนยานี้ไม่ใช่สถานที่หาความสุขสำหรับผู้ศรัทธาต่ออลัลลอ์เป็นสถานที่ช่วยกันเผยแผง่งานของอลัลลอ์งานาศาสนาของอลัลลอ์สุดทายโอาหทำงานเน่ย ดูแลคนดูแลตัวเองให้คนได้เข้าใจอิสลามโอ้โหเนี่ยรางวาัลยิ่งใหญ่ไหมโอ้ยิยงยย่งใหญ่เอาต่อมาครับอินฮาลลฟาอซุลออินอินอินฮาลลฟาซุลอนมาจะอิน อินน่า t h i นี่ล้วนว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ไปอยู่ในสวรรค์ได้นี่นี่เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เหลือเกิน พออยู่บนดุนยาเนี่ยไม่เคยตามมารมณ์ปฏิบัติตามมารมตัวเองนะไม่ค่อยมีปฏิบัติตามอะไรตามคําสั่งอัลลอฮ์คำสั่งอัลลอฮ์คำสั่งอัลลอฮ์มาตลอดทั้งชีวิตของเราเลยช่วงไหนที่มันพลาดไปก็ทํร้ายเตาบ้าตัวใช่ไหมช่วงหนึ่งมันมีพลาดไปเราไปทําทําทําความผิดมีไหมมีในะชีวิตของคนทุกคนนะมีหมดนั่นแหละแต่ยกเว้นนบะีเสร็จแล้วก็ พอผิดทำไรต่อบ้าตตัว ส, สรารภาพผิดต่ออัลลอฮ์เสียใจซะฮัมด้เลยาลยอัลลอฮ์ Allah, ในสุร์ร์คุรานอายะอื่นอธิบายคุรานนะฟาบุลัมมีรับบิกザลิกะฮุัลฟาวซุลอาริมความโปรดปรานมาจากพระผูอ้อภิบาลของท่านนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อัลลอฮ์พี่น้อง อยู่บนดุนยาใบนี้ทําอะไรผิดตาบาตัวสอรอซ ะ, อะนั่นแหละเป็นความตำสมบัติอันอยิย่งใหญ่จริงๆเลยนะอย่ า, อ ย, าอย่าดันทุรังดันนะครับอย่างทะเลาะกับภรรยายกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวทะเลาะกับภรรยานาับีสั่งให้ทำตัวยังไง <c oughs> ให้ใครนิ่งเห็นไหมให้พระมีนิ่งอ่ะแต่ถ้าความรู้ของเราเลยผ่านนับดเบี๋เนี่ยเราจะนิ่งไหม เราก็ไม่นิ่งอ่ะเพราะเราหนึ่งหาเงินให้่ า, านนยากบาทนไาอันทนุษธรรมนนทธรรมนี้พอมาอ่านฮะดีสภามาเจอนบีนบีบอกในบ้านจะมีความสงบได้เวลามีปัญหาสามีนิ่งก่อนจบเสนอมากเกินเหมือนกันใช่ไหมเข้าบ้านเมียบนบนบ น, บนท่านยิ้มนั่งเฉยยิ้มทำไมอ่ะก็ภรรยาทัานมีของดีสีอย่างนี่ก็ชี้น้ำมาไว้อ่ะ หนึ่งต่างคันแทนฉันสองเลี้ยงลูกแทนฉันสามหุงอาหารแทนฉันถักเสื้อผ้าให้ฉันสาสความดีอ น, นี่ไม่ได้ขออคุณอะไรเลยนี่คืออิสลามอะฝุนอารมณม์โอ้โหฝุนอารมณ์ยิ่งฝืนใหม่ๆมันก็อึดอัดหน่อยพอทําไปทําไปมันก็ติดเป็นนิสัยแล้วก็อีหม่ามก็จะตามมาทีหลังอายาที่หบอ็ ลิมิสลิฮาดาฟัลย์มลิลฺามิลูนลิมิสลิฮาดาฟัลย์มลิลฺามิลูนลิมิสลิฮาดาฟัลย์มลิลฺามิลูนลิมิสลิฮาดานี่แปลว่าเพื่อความสำเร็จ เยี่ยงนี้เพื่อความสําเร็จอย่างนี้คนอื่นเอาเอาแบบได้ไหมได้เพื่อความสําเร็จเหมือนชายคนคนนี้ที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยนะเราอยากได้อยู่ในสวรรค์ใช่ไหมเพื่อความสําเร็จเยี่ยงคนนี้เนี่ยนะฟัลยามันนี่อลัลลอฮฺแนะนําให้ให้ให้ให้ใหใหใหฟังทําไงจงให้ผู้ทํางานอา מינ ะว่าผู้ทํางาน ยามันทํางานเถิดทางานตามสุนทรนบีสรนั่นแหละจงให้ผู้ทํางานทํางานเถิดรอว่ากันทำงานชนิดไหนที่พาเราเข้าสวรรค์เง่ากับทํางานแล้วพาตกลันรกเง่าเราก็ต้องเลือกใช่ไหมล่ะอ้าเราก็ต้องเลือกเพราะถ้าเลือกก็ต้องเรียนเรียนจากใครครับเรียนจากอาเ ล, ลมอุลมะ เรียนวาความรู้จากอัลกุรอานจากซุนา่นานะบีจากฮัดยีตอิมัมบุคอรีทั้งหมดในหเจนเล่มนะ่มันต้องมีหนังสือเอาไว้ที่บ้านแล้ววันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นต้นนะลิมิสลิฮาเพื่อความสำเร็จเยี่ยงนี้ฟัลยามลิลามิลูนจงให้ผู้ทำงานยามัลนทำงานเถิดอัลลอฮฺอักลัฮอ่ะมีงานอะไรบ้าง ผมนำเสนอสักสีห้าข้อนะข้อที่หนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดในร่างกายของเราอะไรสำคัญที่สุดหัวใจครับนบีสอนอย่างนี้นะครับยะคูรุนจันนะอัฟอ uh um ิดะตุฮุมมิสลูอัฟอิดะติโตอีดอิมามมุสลิมมาที่ข้อ ด, ดีนี้มาคนที่จะไปสวรรค์ น, นี่นะอัลลอ เขาต้องทําใจของเขาให้เหมือนกับใจนกอธิบายยังไงตะวักขันในการสแสวงหาริสกีของอัลลอทํทใจแบบใจนกทำไมอัลนาบียกตัวอย่างของที่ริมตัวเราเห็นไงอานกมีริสกีมีออฟฟิศไหมล่ะ ริสกี้อยูอ่บนต้นไม้หมดเลยนะพอบินออกจากร้านก็เจอใช่ไหมลนะ่ะนั่นละวันต่อวันชีวิตแล้วเรานี่มีเงินเดือนนะ่ะโอ้ยังกลัวยังไอ้กลนะัมกวามากๆระวังนะบางคนทิ้งอิสลามเพราะกลัวจนนะ่ะมีแล้วไม่มีค่าลูกเพราะกลัวจนนะ่ะไม่ไม่ส่งลูกเรียนหนังสือเรียวอิมมมมอหม่ามุสลิมเดียวกันนะครับคนที่จะไปสวรรค์นี่นะบายฟิน คนที่อ่อนแอแล้วก็มุต์บออฟในสายตาผู้อื่นมองเราเป็นคนอ่อนแอพวกเราถูกหมดเลยไอแ้แคกมีอะไรน่งผ้าสรงใส่หมวกเอาไว้ค้าไม่มีน้ำยาผมนึกถึงตัวย่ออะไรเนะี่ะกลับมาจากปากีสถานจะขึ้นรถไฟอ่ะ ต, ตายโบริวไฟยัง น, นั่นะดูถูกเห็นเครื่องแต่งกายชาวบ้านมองเป็นคนอ่อนแอหมดเลยแต่พอรู้ว่าจูมาจากอเมริกาตัวคนเงียบหมดเลยโหจบมาจากอินบาลใอเมริกาน <c oughs> นี่มองได้มอ ง, มองเองลวกันไม่ขออธิบาย <c oughs> เอาต่อมาเรื่องที่สามคนที่อัลลอฮ์ปกป้องไม่ให้ไปนรกนะกุลูไลยิน ซาฮารินกอรีบุลมินา น, นาสคนที่จะไปสวดดูอัคราที่นบีสอนอันหนึ่งเป็นคนที่อ่อนโยนหัวใจไม่แข็งกระด้างกับหัวใจอ่อนโยนข้อที่สองซาฮารินอยู่แบบง่ายๆทําตัวแบบกันเองเรื่องที่สามกอรีบุลมินานานั่งคุยกับประชาชนนั่งคุยกับคน คนประเภทนี้นะแล้วให้ไปสวรรค์หมดทั้งว่าคุยเรื่องอะไรอ่าต้องนึกหลอนมใจะคุยเรื่องไราสาระพยายามคุยเรื่องอีมานตะกวัวยาตีนยาซานเอกลาสพยายามคุยเรื่องดีๆเชิญชวนกันให้ตามความดีแต่คนเยอะยิงจ้องห้องเนี่ยอลาวจับลงนรกหมดนั่นแหละไม่เชื่อลองดูจะได้เอาอัคลากนะ ไล ย, ยินว่าใจที่อ่อนโยนนิสัยที่นิ่มนวลอัลลอฮเป็นรองเอาไปใช้เธอไม่มีคงว่าขาดทุนไม่มีคงว่าเสียหายเห็นหน้าคนยิ้มก่อนทักก่อนสลามก่อนได้ไหมน บ, บีทำเป็นแบบเอาไว้อ่ะเดินผ่านเด็กให้สลามเด็กก่อนน่ะ ต, ตัวครูบางคนโหยิงจริงๆยิงไปทำไหมถ้าอ่นาอนทัดเีสเจอจุกนันไม่กล้า ย, ยิงสักมันต้องยิ้มกับคนทักกับค น, นนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับ เรื่องที่สมันตออนันนีดะฮุลลจันนะีน่น บ, บีพูดเองใครที่เชื่อฉันเชื่อนน บ, บีปฏิบัติตามน บ, บีพยายามศึกษาหาความรู้เรื่องน บ, บีสอนอะไรน บ, บีทำอะไรได้ไปสวรรค์หมด Akbar. อัลลอฮฺอักบัดเอาเรื่องที่5ใครที่นมาสุนัตอ่ากอดฟรดูหลังฟรดูวันหนึ่ง12อรกะอาดหรือส0รอกะอาดแต่ไปสวรรค์ครับ อ๋อสุบโบสองเรองอาอ่านใช่ไหมสุน่านะระวัติปก่อนน้ำมาดบายสี่เราก็อ่านหรือสองหลังน้ำมัดบายสองหลังมะริบพสองหลังอิชามสองมี น, นบีพูดเฉพาะระวาติปนะตะตะิดนะก็ทหารยุทธ์เ อ, อะแล้วก็พิเตสอีกละดุฮ้าอีกละรักษาเอาไว้พี่น้องโอ้โหอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์เรื่องที่หกอย่าทําชือกต่ออัลลอ โตตะเกียมีเนี่ยรถทดสอบวิจัยอยู่โตระยองมีตโตนุ่นโตนี่อาชิมัตมีหมอดวงหมดด อ, อดูเอารถทดสอบให้เห็นหมดเลยเองเลือกหรือเปล่าถ้าเลือกชีวิตตามหมอ ด, ดูโต๊ะนุ่นโต๊ะนนี้เองระวางนี่ชีวิตทั้งหมดเลนะีนาไม่ปลอดภยัยนะเลิกให้หมดแล้วก็นามายยค่าจ่ายสกัดด้วยติดต่อกญาติพี่น้องตัวเองนี่หะดิษบอกมามุสลิมเรื่องที่หก ใครที่กลา่าวโนอาบทนี้ประจํำนะเช้าเย็นโรดีตูบิลละที่ผมอ่านประจําเนี่ยนะโรดีตูบิลละอิร์บะฮ์วะบิลอิสลามดีนาวะบิบุฮามดิรอสูละทุกวันสามเที่ยวตอนเช้าสามเที่ยวเย็นสมเที่ยวนี่อมังอบูดาบูตประทึกนี่มาเอามาดูภรรยาเราอยู่บ้านทําตัวยังไงนบีสอนอย่างนี้อิดะซัลลัติลมัอาตุลขมซา เมื่อพระยาเนี่ยนมาโคบห้าเวลาว่าซอมมัดชาา่าแลฮะแล้วก็ถือส้นอดเดียวเดียวระมับอลและถือได้วันจานทร์จะพูดหาดอีกอัลลอฮ์ยิ่งดีใหญ่ว่าฮัสซันัตฟัรจารักษาอาวัยวะเพศตัวเองอย่าทําสินาว่าเอาตออัดบาแล้วฮะแล้วก็เชื่อฟังสามีอันนี้ยิ่งใหญ่เชื่อฟังสามี ตีลาละหาไปในวันเตียมะจะมีเสียงพูดว่าอุดคุลิลจนนะมินไออบาวาบิลจนนาติสิตะเลือกเข้าประตูสวรรค์บ้านไหนก็ได้เอาหรือไม่เอาอัลลอฮอักบัรผู้หญิงฟังชื่นใจมีกี่ข้อสี่ข้อห้าข้อเอ๊อักวัลเอาเรื่องที่หกพี่น้องมันบนานามัสยิดาลิลละใครที่สร้างมัสยิดเอาเงินนานะ เอาเงินออกมาสร้างมัสยิดบานอัลลอฮุลาหูหับตันจัญญาณนะอลัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์อิมามมุสลิมเอาต่อมาอีกใครที่ไปเยี่ยมคนป่วยเหมือนกันนั่งอยู่ในอุทยานทั้งสวนสวรรค์นี่สอนเลยห่ะดกวาอิมามมุสลิมเอาอีกเรื่องหนึ่งใครที่เสียสลเวลามานั่งเรียนาศาสนานะครับ ออกจากบ้านของเขามานั่งฟังศาสนาอาลัลลอ์จะให้ความง่ายได้แก่เขาในการไปสวรรค์อัลลอห์อักบาตละอีกข้อหนึ่งอิมา ม, มุสลิมนี่อิมามติสินมีดีให้ให้สลามกับคนเห็นหน้าคนกยิ้มกับคนเลี้ยงอาหารคน อ, ลอัลลอ์มาแต่ละบุญเยอะทุกวอาทิตย์แล้วก็ให้นมาตขณะที่ประชาชนคนนอนหมดนามาตจะไรนมาตจุด ได้เข oh Allah. ้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักวะและก็อีกอีกดูอ้างอีกบทนึงให้ว่าทุกวันนเช้าเย็นอัลลอฮอันตรับบีลาอิลฮอิลลออันตขอลับตานีวะอานาอับดะวะอนาอัลาอัลฮิกะวะวะฮิกะมัสตะตอตุอาอุบิกะมินชริมาซนตุอาบุลละกะบินยามติกะอลวะอบุบิามดีฟะกฟิรลีอินัหฟิรุสโญ่บิลลัอันต นี่มาบุคคลีอัลลอฮฺเป็นเรื่องเยอะเอาแค่น <sm> <resh> ี <ata> ้ก่อนเวลากับเวลาจำกัดอาต่อมาครับ6กสิบสองอัลลกะคอยรุนูซุลอามชาจาตุสักูมอัลลล็กะคอยรุนูซุล อัมชาจารตุซักุมอาแาลิกะขยรุนุสลาอัมชาจารตุซักุมนั่นเป็นการตอบรับเป็นการต้อนรับที่ดีกว่าไม่ใช่หรืออันนี้คุยกันในสวรรค์นี่ อาดาลิกาคอยรุนนูุลแปลว่านั่นเป็นการตอบรับที่ดีกว่าไม่ใช่หรือคืออยู่ในสวรรค์นี่นะอัลลอฮ์ให้รางวัลเยอะหมดเลยที่ที่อ่านมาแล้วมีเตียงใช่ไหมนั่งอยู่บนเตียงเตียงทําด้วยอะไรทองแล้วก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีกินน้ําใช่ไหมแล้วก็แลกน้ํากันนึกถึงดุลยาสิดุลยานี่แลกได้เปล่าอ่กโควิดอย่างเงี้ยห้ามเลย สวัสด์นี่แลกแก้วกันได้ด้วยนบีนบีเก่งพญานบีดื่มน้ำใช่ไพญานบีดื่มนบีถามมาเธอดื่มน้ ำ, นำรอยตรงไหนนบีก็เอาแก้วมากัมาดื่มรอยเดียวกันยางไงใชเคยทานมายังฮัลหเอ็กวัลโรแมนติกนะ่ะโรแมนติกอารมณ์มติกภาษาฝรัง่งรู้กันนะโอเคค อาซาลิกาคอยรุนนุซุลนั่นเป็นความเป็นการต้อนรับน้านซุลไม่ว่าการการการต้อนรับคอยรุนที่ดีกว่าดีกว่าคนอยู่ในนรกอัลลอฮ์ต้อนรับแขกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นการต้อนรับที่ดีกว่าหรือชาจาโรตุซักกูมหรือว่าต้นซักกูมเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซักกูมในนรกเขากินกัน เรื่องต้นไม้รักกูมเนี่ยทะเลาะกันในมักกะสงังนวนนันูนนะนบีพูดแล้วว่าต้นไม้รักกูมมันจะขึ้นในนรกลุมท่านอบูอะไรนะอบูญะฮัลพูดว่า ม, วมุฮัมมัดสอนอะไรกันเนี่เป็นไปไม่ได้สักเรื่องหนึ่งอะ่ะต้นไม้เนี่ยมันต้องปลูกบนดินใช่มล่ะต้องอากาศเย็นๆมีนองมีน้ำ นี่เล่าว่าต้นสักกูมจะขึ้นในไฟในนรกดูดูสิมุหมัดมันสอนอะไรก็ไม่รู้ก็จะให้เราเชื่อมันเป็นไปไม่ได้โหเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะต้นไม้สักกูมในซาอุดีวันนั้นนะวันที่นบีมีชีวิตอยู่ในเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์อักบัตบอก็บอกนบีแมลงป่องอยู่ได้ไงในนรกอ่ะตะขาบอยู่ได้ไงในนรกงูอยู่ได้ไงในนรก ทั้งที่ไฟเมีว่าถ้าต้นไม้สกูลนี่มันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้แต่อัลลอฮสั่งให้ขึ้นนะ่ะฮะมันก็หกเั้๋ยวมาานอยานี้เตือนนะ่ะอาจจะเกกะคอยรุนนูซูลนั่นเป็นการต้อนรับที่ดีกว่าไม่ใช่หรือหรือชาญเราตัวสกูมหรือว่าต้นไมา้สากูลที่ขึ้นในไฟนะรกแล้วก็กินเหม็นแล้วก็เป็นพิษนะ่ะ รออันไหนดีกว่ากันคุยกันในสวรรค์อันไหนดีกว่าโอ้ตัวมัสอากมดีไหมไม่ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นี่สรุปว่าเขาทะเลาะกันในมักกะสะไม่ก่อนเนี่ยนะเพราะไม่เชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวอไม่เชื่อนบีอย่างตายมาเต็มเลยใช่ไหมะนะฉะนั้นคนที่เชื่อนบีเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูนเชื่อว่าตายแล้วฟื้นแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มีนรกสวรรค์จริงอัลลอฮ์สอนอะไรเชื่อมด ทำหัวใจเหตุเป็นหัวใจเหมือนนกก็ต้องทำต้องฝึกนะ่ะทำไม่ฝึกก็ตะกลับบดแบบกอโรนหามานนั่นแหละอืมเอาต่อมาครับอายะสุดท้ายอินน่าจัลนาฮิฟนาตัลลิลอริมินไม่ไม่ไ ม, ไม่ท้ายจะมีอีกสองอายะ อินน่าจ عل นาฟิตรนตัลลิฮ์โวลิมีนมีต้นไม้ซักกูมในนรกนี่จะเป็นอาหารเมนูสำหรับคนชาวนรกนะความจริงต้นไม้ซักกูนี่มันเป็นอาหารของอูดมันมีหนามเยอะในซาอุดีอาระเบียแต่คนอาหรับน่ารู้ พรอานประทานลงมาเพิ่งหูตาสว่างเออใช่คนไม่ส ก, กูมเนี่ยแต่คนที่ต้านนะครับอาบูยาลโอ้โหนะอุสบิลลามีต่เด็อัลลอฮ์นี่นะแท้จริงเราได้เราอัลลอฮ์านาจะอัลนาเราได้ทำมันให้มีนูน่นมีนี่ในนรกเนี่ยมีน้ำเลือดมีน้ำหนอง แล้วก็มีความเหม็นโอโ ห, โหอยู่ในนัน้นเต็มเป็นหมดเนี่ยทำทำไมฟิธนาตันเป็นการทดลองเป็นการทดสอบลิซอล์เมนคนที่อาธรรมคนคนช่วยคนที่อยู่บนดุนยานี้ไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนั์นบีไม่เอากุรานไม่เอามฮัมหมัดไม่เอากุรานไม่เอาสุนัมไม่เชื่อวาตานาฟื้นถูกลงโทษแบบนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดโอ้ เสียวน่ะท่นานต้นไม้จา ก, กูมเนี่เป็นอาหารสาหรับชายสว่างท่านบอกกินอร่อยไหมละ่ะกินไม่กินแล้วก็ติดคอแล้วเอาน้ำร้อนตามกันไปอีกเอาน้ำน้ำเลือดน้ำหนองกินกันไหนี่เป็นการฟิตนาเป็นการทดสอบเอาล่ะเราถูกทดสอบบนดนยาเล็กๆน้อยๆนะโวยนี่ทดสอบขนาดไหนเนี่ย ไม่กินก็ต้องกินเวลามันหิวเราอยู่ในในสวรรค์ใช่ว่ากินน้ำก็อร่อยอ่ะกินผลไม้ก็อร่อยถ้าตมกันข้างอยู่ในนรกเนี่ยกินอะไรอ่ะกินต้นไม้สักกูมามันก็อร่อยเท่ากับพวกมันนั่นล่ะอยู่บนนุยานิดดา น, นาบีรอเรียนนบีเชิญเชิญตามสบายเลย ยิ่งรอเรียนนบีเยอะๆยิ่งดาอิสลามเยอะๆสายญาดูคุลูนาฟีดีนิลลาฮีอฟวาุานี่เป็นสูตรของอัลลอฮ์ก็ทำให้ต้นสกุมขึ้นในไฟได้อ่ะให้คนรับอิสลามทีละคนละคนละคนขณนะที่กลุ่มนึงยืนด่าอยู่เนี่ยจะทำได้ไม่ได้สบายแต่เราต้องอิคลาสนะอ่าอย่าไปเดินด่าใครไม่เอานะครับถูกด่าไม่มีปัญหา อายสุดท้ายอินน ah e ่าชาจาโรตุนทักรูจุฟีอัลลิลจายิมอินน่าชาจาโรตุนทักรูจุฟีอัลลิลจายิมชาจาโรแปลว่าต้นไม้มันเป็นต้นไม้ตักรูจุแปลว่าออกมา จากฟีอัลลิลยาห์มไฟที่ลุกจ้าหมายถึงแต่ตําแอธิบายบอกว่ามาจากก้นนรกกออริลยาห์มอัลบาดมกอรุนก้นต้นไม้ซักกูมที่อบูญาฮันบอกว่ามูฮัมหมัดเอาอะไรมาสอนไม่รู้มันกินไม่ไม่กินกับปัญญาเลย อโ ล, ลตอมเลยผ่านคนอ่านต้นไม้ที่เองปฏิเสธว่าไม่ขึ้นนี่นะมันจะขึ้นที่ก้นของโรกเลยนรกสูงขนาดไานก็ต้นก็ยาวกันไปไม่ใช่ต้นเดียวเป็นแ ส, น, สนต้นเลยนะ <c oughs> ขึ้นมาอโลอักบัตแล้วก็กินเป็นไงครับสัมารูหาผลผลของมันกอบีขุนมอนสดแปลว่ารูปร่างไม่ไม่น่าดูภาพน่าเกลียด เวลาทัลอัมตอมิฮาอย่าไปถามมรสชาจะเป็นยังไงฟะอินัมุชริกินลาอากิลูนคนมุชริกจะได้กินต้นไม้กูมเป็นอาหารเมนูชาวนรกมินติลกาสยจากต้นไม้ตัวนี้ไม่มีน้ำไม่มีผลไม้ไม่มีภรรยาไม่มีครับเองเล่นคนเดียวสบาย ตรายมากนะนี่เมนูอาหารสำหรับชาวไรนะชานรบอันเมนูอาหารชาวสร่าอัลลอฮ์ชื่นใจครับดูดิละอามเลือกอามไปน้องอิอนเตอิสลามเชิญดาซุน่านาบีเชิญต่อไปถ้าไม่กลัวนะถ้ากลัวตบบาทวซะขนาดดาอลัลลอ์ดารซูนดานาบีตบบาอลัลล์รับแค่แสิบนาทีเองทาไม่ได้โจะเสียหน้าเชิญเลย สุนาสุเร า, าุนาหนบเข้าวสุเราฉันไม่ได้ทําไมอ่ะพวกคนได้มีอิหมานกลัวอะไรอ่ะพี่น้องทําเถอดนะบรรดาอิหมามทั้งหลายเนี่ยพยายามเชิญชวนคนให้อ่านกุ้นอ่านแล้วก็ให้เรียนสุนาหนาบาเบพวกก้าองอัจาจับจากกูโบได้อลลอฮฺหลายเ้นิดหมดเวลากับสุบาพนกละหุมาบิฮัมดีกาอัสซาดุลลออิลลัล อ, อิลลอัตาอัสตัฟุกะวะตูบะวิไล พ่อแม่บ้าน